ดดคงเยอะเนาะแปดสบหกคงเป็นอย่าอย่าทราบพันขานะ่อยพันขาคงเป็นสี่ิบเก้าเนี่ยถ้านับั่งมาหาไม่ตายด้วยสี่สิบเก้าเจองูก็เจอ มันมันกลัวเกินไปมันเลยมันมันมันก็เลยตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกงูใหญ่เลื่อยมาที่นี่นีอยู่ที่ถ้าเขาท่องูเลื่อยงูใหญ่เลื่อยมานขนาดนี้ขนาดแคบตาตาม่ไม่เประมาณมันสบายเลยลูกพักอยู่ตอนกลางวันมันมาพอเข้ามาอย่างนี้หาเงินอยู่นู้ มันมีคว้านทิ้งก้ตยๆประมาณมันวางเตียงขนาดนี้สูงขนาดนี้เตียงอยู่อยู่หน้าผาออกมาคอหลงปูเห็นแล้วยังฉาอย่างนี้น้องหลงปูเห็นคอของมันอยู่นี่น่ะนักสบาอย่างนี้ตามปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยตามทีนี้มันกลัวเกินไปหรอมันก็เลยไปกลัวซะทีนี้ไม่รู้จัดรถมันเออถ้าปูวิ่งอะมันต้องถ้ากู่หนีนี่มันต้องลับนะหม่ว่างี้ ทีนี้เราก็เลยเอมยอมูไทยก็ต้องจกภาษาไทยใส่เราพูดอย่างนี้เออเออเธอจะมาแล้วมาสงสัยเราทำอะไรเราไม่มาหาเอาท่านเนดินเสินในน้ำเราเรามาปฏิบัติก็บนทุกในววัฏจักรแล้วพอเราก็แผ่เมตตาถึงเธออยู่ไม่ว่าจะเธอที่ทำใโลกทาตไม่ให้มีเวรมีภัยกับใครเลยแต่ก็เป็นความจริงเราก็แผ่เมตตาพปไปไอย่างนี้พาลพาสารไมันมันมันมันรู้จักเออเราบอกกันเราเรากั้นใจทําอย่างนี้เกือบจะตายแล้ว ไปไปไปไปอย่านี้ไปไค่หนึ่งไปมันก็คลอยทำอย่างนมีสติสัมปชัญญะนีไปอย่างนี้พอมันอยู่นี่น well hmm? ี่ถ้าเราปกนี่ก็ได้เนี่ยปกนี่กรถึงนี่งูอะไรเขาบอกว่างูฟังหนาจงอามามานี่มานี่มานี่ยไ กลัวจนจนบอกไม่ถูกก็เลยไม่กลัวซ้ำทำไมมีปฏติพานมีปัติพานบอกเขามัน่าไปไปไปไปไปอะไรพูดไปไปไปไปหักมือพ่อมปไปไปทํามันปกมาใส่มือก็ได้ถ้บปกอย่างนี้ก็ได้ไปไปไปไปมาของไทยเราเราแม่มหาวิาลัยในดินซีนในน้ำเราก็แผ่เมตตาทั้งเธออยู่ทุกวันพอตัวไปถึงขนาดขนาดกว่ากว่า หางหยอยู่นี่โอ้โอ้เขาว่ารูงูห้องไม่เป็นงูร้องไม่เป็นลุงปู่ไม่เชื่อมันกระแทกล้อมออกโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ท้องเขามันยุบพองยุบพองมันทําท่าขู่แต่คอเขามันไปยังไปเริ่เรียกอยู่ว้าไปเรียกถ้ามันวกเวียกเวียบอย่างนี้เราก็จะกลัวมากนะถ้ามันวกเวียบวกเวียบอย่างนี้มันไปเรียบอย่างตาเขามันอย่างโอ้ พาเข้ามาแล้วเน่ยกี่ยวๆเรืองข้าวไปนะผข้าไปในโพรงเลยนี่เรข้ามานึกอยู่น่าภาคเพียบทวนกะระแสดูมันเป็นเทบุตเทวดาไหมไม่ใช่เรนมันมาค้ากิน่าเฉยๆมันมาเจอเราถ้าหากว่าเรานึกจะหาข้อหาให้มันสู้มันนะมันคงจะกัดเราตอบเจ้าของมาถูกแล้วไม่ถูกมาซักตอบเจ้าของอย่างนีง้น เพราะมันเข้าไปในโพรงนั้นแล้วอะแล้วก็ดีใจแล้วีฉยๆเออมันมาห่ากินมาฆ่ากินมันมาเจอเราเอฉยๆแต่ไม่ได้เสร้างบา ร, รมีในการฆาการแจงขบันมันก็เลยไปไมันใส่เทวบุตรเทวาอินทร์กมอะไรหรอกตัดทินเจ้าของอยู่อมาเราก็เศร้านะตระงหมกไปแล้วอยู่คนเดียวย่ลวงพิโมก ค, คนเดียวอธิษฐานเ อ, อกมาได้สองเดือนแล้ว นี้เราจะเรืงปฏิโมกขกันั้งเราก็เลยท่องปฏิโมกแล้วก็ตั้งคาทิสเจ้าธรรมะเจ้าปฏมาปฏิกาจักรโลยอจักรยายต้งวิบูยตรังวะยตตราวะแล้วก็จะลอยาตนะพระเดชานีติพอถึงถึงหมูเนี้ยหมูสกัดทิเศมาอีกรากทีนี้มาจะโค้งมาทางใต้ใต้เจียงจะโค้งอมาทางนั้นมันเป็นทุ่งที่อันออกมาออกมาเหมือนเก่าแหละมาอย่างเงี่ย อย่างนี้มันต้องมาทางใ ต, ต, ต้เตียงมาทางเตียงเตียงเทนีเตียงนี่เราก็ผิดมาทางที่เหนืออย่างเนี้ออกมาอย่าไตไตพอทุ่มควรแต่หางยังอยู่ในโพรงเออแล้วเขาบอกแล้วไม่ฟังไปไปไปไปไ ป, ไปเราแผ่เมตตาถึงเธออยู่ทุกวันไป อ, อ, อย่ามาสงสัยเราทําไมก็ฟังของารก หอยหลังคืนนอมและเกินถ้อยหลังอย่างนี้อ่ะห้อยมาห้อยมาห้อยมาถอยมาถอยมาถ้อยหลัง่อย้ายข่ยายฆ่อย า, อ ย, า อ, ย อ, ยอย่างนี้นะไปหางมาคว้างหามาตูมเข้าไปในโพงเลยเข้าไปในโพงที่ตื่นขึ้นมาก็เป็นคนปากบอลไปวินงขบานมาเนี่มีคนหนึ่งมาตามมาตรงนาาั้นคุณโยมคุณโยมที่นี่มีงูไหม ฉันอาหารอิ่มแ ล, วลอวเขามาตรงเป็นโตเถาหนึ่งสี่ชั้นอ่ะเขาเออกมาเต็มแล้วเราไปเวียนท่าบ ก, ก็เลยเกือบเต็มบาสไปสองบ้านเท่านั้นละ่ะสองบ้านสามบ้านสองบ้านเพราะบ้านทางนั้นมันอยู่ข้างกันเขาอยู่ตามสวนปากบอนเข้าไม่ดีคนยอมคนยมที่นี่มีงไมูไหมพ่อท่านเห็นหรืออาตมาเห็น ตัวใหญ่ขนาดไหนเขาบอกไว่าเขาบอกว่าทองตัวใหญ่กว่านั้นก็มีแต่เขาไม่พูดภาษาภาคอีสานเนอะเขาพูดหัวใหญ่ขนาดไหนหรอเขาพูดอย่างนั้นตัวนั้นแต่ว่าลูกครูพูดเพื่อให้ลูกๆฟังง่ายเฉยๆหรอกเขาเป็นภาษาภาคใต้เ ข, า, ขาเขาเรียก ว, ว่า ง, งูอะไรตัวหนู โอ้คุณยอมเขายอมงูอะไ ร, รบา้ า, บางหลาบ้าห า, าบา้องหลาบ้องหลาก็จงอางนั่นเองถามพวกขมิงเขาบอกว่าจงอางพวกขมิ้งเขายอมบ้องหลาบก็งงอางเมันกัดเป็นไหมยอมมันไม่กัดเหมือนิ <laughs> ้น <c ười> จิม้มห น, น่อยจิ้มหน่อยกันนะจิ้มนะที่นี่มันมเพียไป ม, มันก็ที่นสองของงูเห่าก็ต่อบชิ้สองของ ง, งูเห่เางงงหกัดตายมันกันแต่มันไม่ค่อยทำหรอกถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันมันตัวใหญ่กว่านี้กว่ามีอยู่อยู่ในโพรงไงนี่มันพูดอย่างนี้เข้าต้นเสาที่นี่เราก็เรียกว่าทีแรกเราก็าก็เน้นว่าจะไปพักที่นั่น สามคืนเท่านั้นในว่าเมื่อขี้ง่ไปไล่ไ ป, ไปเล่าเรื่องให้เขาแล้วถ้าเราจะหนีเขาก็เกรงว่าพระกรรมฐานกลวงูที่นี่ก็เป <c oughs> คนถูกคนขี้งูที่อยู่ไปนั่นอยู่ไปอีกรา้านวันก็ไม่เห็นเงียบไปเลยลนะงูมีแต่เสือมา <c oughs> เห็นแต่รอยมันเห็นแต่รอยมารอยมาใกล้ใกล้แต่เขาบอกว่าเสือมานี่นะแล้วกูนะเสือตัวโ ต, วตวมานี่ แล้วลูกหัวไม่ไม่ ไ, มไมปดวเขาหรอกแต่ไม่ลูกหัวไม่นึกกลัวเหมือนงูเสือฮัดนึกว่าไม่นึกนึกไม่นึกกลัวเหมือนงูงูงูนึกกลัวมากบางทีนั่นงภาวนาอยู่ยังเกงมันจะมากืนจิมเลยจนจน <laughs> แต่นั่นมาก็ไม่เจอหรอกเราลืมตายอยู่ในท้องแหละฟันฟันฟันฟันตามธรรมชาติตามงู แต่ว่าออกไปสามเล่มหน้ท่านนี้ไปออกไปสองท่านนี้เล่มหนึ่งแต่ท้าใต้ยังดีอยู่อันนี้ฟันที่มันสั้นๆมันลงมาเฉยๆนะมันเป็นฟันเป็นเป็นฟันที่ทนฟันต้นเ ก, กลืองเล่มยาวๆอย่างนี้ไม่ทนนะไม่ทนยุคครูที่เราไป<ฮ>เฉพาะใระเทศไทย กเพาประเทศไทยมาประเทศประเทศเอืนอกจากเรื่องเอ่เทวดาด า, ามันต้องเห็นในนมิมิตก็ต้องมีเทวดามนมิตรในภาวนาต้องมีจริงสิมิตรของหลวงปู่มันมันโลดผนเหาะเหินเดินอากาศนมิตไปรังกาเลย เราเหางกายพลิกคว่ำพลิกหายเลยนาที่คนเดินในอากาศนาทีควโหนไปในอากาศนอนไปเลยเไ ด, ไได้เพราะมันปรากฏในในนิมิตหนึ่งทีนี้เราจรึงยอมเชื่อว่าพระโมคคัลลาเหาะมันเหาะเป็นจริงเพร <c oughs> าะ ม, มันเห็นในนิมิตภาวนาเวลามันจะไป ก็รับเราเราับตาเข้านะแสงสว่างมันก็พุ่งออกเหมือนกลางวันไปแล้วทีนี้ไปอีที้องเราลุกข่าเลยแล้วก็จ้องดอูที่มันแสงสว่างนีไปเลยแล้วทีนี้เบาไปเลยบางทีปรากฏทะลุภูเขาบางคนไม่เชื่อทะลุของเขาภูเขาหัวแตกตายสิหมือนเป็นอย่างนั้น แ, แสงสว่างมันทะลุภูเขาไปแล้วเหมือนรถไฟที่เขาเจาะภูเขาทะลุ่ะแต่ว่าแสงสว่างมันทะลุไปก่อนแล้ว่ะแล้ ว, ลวไปตามแสงสว่างนั่นเองเกิดพิจิตร์แต่มันก็อยู่ในอเนจังเหมือนกันมดกําลังก่อถอนออกมาจริงเราจรงเรานี่มันอยู่ใต้อํเนจังเพราะปรมาศา ส, สนานมาให้ยึดมันถือมันทําชั้นนี้แล้วบุญชั้นนี้แล้วมันยังอยู่ใ น, น้อเนจัง ถอนออกมาได้เหมือนกันในอะไรพวก น, นั้นจิงจังเดี๋ยวนี้หลวงปู่ไม่ค่อยเล่นทางนั่งหลวปู่เล่นทางหลวปู่เล่นทางทางปัญญาเลยเดี๋ยวมี่เดี๋ยวนี้หลวงปู่เห็นรอบโลกนะหลวงปู่นั่งอย่างนี้นมีหลวงปู่วันก่อนก็มีวันนี้ก็มีวันพรุ่งนี้ก็มี นั่งอย่างนี้ต้องการเห็นรอบโลกพอเห็นเนอะเมื่เห็นอนิจจังเท่านั้นเห็นรอบโลกแล้วเท่าโลกเต็มไปด้วยอนิจจังมัเห็นทุกโลกเลยนะเมื่อเห็นทุกลำของโลกเต็มไปด้วยวามทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตก่อนปัจจุบันด้วนได้ได้นั่งพ้วนอนิจจังได้ได้นั่พ้วนทุกขังได้ได้นั่พ้วอนัตตาย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นท่าความรวมภัยใจเท่าออกแล้วก็สงสัยในโลกเท่าพวงว่าจะเป็นอื่นนอกจากอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปัญญา ปัญญาจัตุจัตุคือปัญญาสมันแต่จัตุจัตุรอบคอบเห็นความเกิดคณะหนึ่งว่าเป็นทุกข์ก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกจะไปรวบความเกิดเป็นทุกข์หนักถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะติ้งความสงสัยไปได้หนักเห็นความแ ก, ก่ก็ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วที่พระบรมศาสนาเทศชาตรีพิศขาชาาพิสุขามานลในพิศกังแล้วก็เป็นเทวสุขโทมนับสุปายาสาพิศขา ก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความบัติษณ์สมหวังแม่เป็นทุกข์แม่พระบรมศาสีรากิสิ่งที่พัดผ้าอยากสิ่งที่พัดผ้าก็เป็นทุกข์เนอะแล้วทศสิ่งที่ไม่หน้าพอใจก็เป็นทุกข์พระบรมศาสีรากิจาราเทพนะมันก็ถูกถ้าผมมาโรคเขาจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกคนแก่ก็ถูกคนเจ็บก็ถูกคนตายก็ถูกเพราะคนแก่มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์ใครจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นทุกข์หมด เราก็เบื่อหนายทุกซแล้วก็เบื่อห น, า ย, อหนายที่เขาเราเคยลงมาเราพิจารณาอนิจจังทุกครั้งต า, าก็เบื่อหนายทุกเท่านั้นแหละพิจารณาลงให้ชัดนะใครเป็นเจ้าโลกตักวันาเนี้ไม่มีใครเป็นโน่รัสเซียก็มาได้เป็นโน่อเมริกาก็มานจะเป็นพวกเราเขามัไจะเป็นเป็นเจ้าโลกแต่ทุกคกรั้ตายอินเขามาได้เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าโลกหรอก <c oughs> จะทุกข์กับตายทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลกเอาแะ้วนะอยากจะกหลวงปูกับน้ำหมดแยกหลวงปูให้พอนะเป็นพรอดยะทาวานิวาหาปุราภิเรียนติราชกลลเอวะไม่เอวะไอตูถึงไปตานังอุปปัฏฐิมีิดทางปฏิจจังตุมาคิดพเมวะสนิสตุสเพรผู้เรียนทสั้นกาสันโตานโรยะทานิโสติยะโสะท้าสักเพียรผู้เรียนทูสั้นกับฟาส เทตมเทะวตวนตรายโยสุขีติการโยเพราว่าอภิวาธานสีทิสานิจังโยตาปิจายโยยตาโรธรมาวัตถันติราโยวันูสุขังปลังสัพพคุถะโนภาเวนะนัปปัมาโนภาเวนะสัพพสังกานุภาเวนะพุตรัตาังตรัังสักระังตินังรตังอภาเวนะยะตุรสีตีสารสะัมัคขานุภาเวนะวิตกัตยาโุภาเวนะ กินาสาวาการโกาเวนเเตโรคาสเปเตพญาสเปเตอันตรายาสเเตอุปัตตวารสเเตตนนมิตาสเปเตอวมังคลาเวัสันตุยวัตโกตกาธนาวัตโกตกาสวัตโกตกาญาสาวัตโกตกาธนาวัตโกตกาวนนวัตถโกตกาสวัตโกตกาวตัสุภุขุขโรเวลาโสกาสุุจุปถวาเนกาอันตรายาปิเวนัสันตุเจตีสาสาเชื่อสิทธิทนังทนางแวรวัลัพลาพังเวร ถ้าดังราฟังโสติผักยังสุขังพลังสิิอายุจะวันโนะะโภคังวุฒีเจียสวาชตวัตสาจะอายุจะชีวะสิทีปวันตุเตว่าจะสัพพมังสารังจสัพพเทวตาพระพุธานุภาเวนะสตาราโสติปวันตุเตว่าจะสัพพมังสารันจสัพพเทวตาพระธรรมานุภาเวนะสตาราโสติปวันตุเตว่าสัพพมังสระันจะสัพพเทวะงาวตาราันุเตว่าจะสัพมังสาระันจัเวตาพทั้งกานุภาเวนะสถาราโสติปวันตุเตว่าจะสัพพมังสาระสันจะสัพ พระโถธรมโมทัคโกนี่พานะเรียกว่ามงคลจักรวาลน้อยพระโถวธรโมทัคโเป็นุกเป็นสุกแงแรบบนี้เรเบแล้วมนิพวกลูกๆร้านของหลวงปู่เป็นทหารมีมาก เป็นตำรวจทหารเีอะ ม, มากพวกผู้กำกับานของนักู่อ๋อว่าเถิดนะมีเจตนะนครับผลเ่ผลกสางเกตินเดียวเกตนาเพื่อผลทุกนยวันตสงสารมันชนะเจตนาคาราพายอดมัดเดีวเหตไหนจึงหวังผลทุกนวันตาสงสารพราเห็นายในวันตาสงสารอย่างเ็มทีเนี่ยเห็นอันนี้จังคณะคิดนึ่งกัเห็นโลกรอบโลกเลยเยยนี่ยนม่ตตองไปเพื่เดินโอกาสเบิง้งสะร่างาัน ฉันทุกคณะอีดเดียวก็เห็นโลกรอบโลกแล้วมาต้องหอมก็เลืศอากาศไปเบิงอันนี้คือยังคืออันนี้จังทุกคังอนาตาที่รองไปแล้วคือกองทุกที่รองไปแล้วอนาคตคือกองทุกที่พระท่านมาถึงปัจจุบันคือกองทุกที่กําลังเป็นอยู่เข้ามาโลกแล้วรุชีตีติแท้ผู้ใหญ่รับไปสังขารโลกโลกคือสังขารสัตวโลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักกามาพจน์รักชันพมโลกได้แก่รูปประภมชีพชันและรูปประมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมมลลงงาาในสัโก สังขารโลกแบ่ออกเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังมันทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อโลกเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เท่ากับว่าเรานั่งอยู่คณะคิดเดียวเราก็เห็นรอบโลกแล้วนะพร้อมกับลมให้ใจเข้าออกเลยเอาให้สมเหตุสมผลเราท้ามาไรอีกกันเอาละค่าได้ไม่มีคนไปได้บัตเนี้ ค้ว่าปลานี่ยมันสมเกตนาจะคลองเลยเออม่สมเกตนาจะคลงเกตนาจะคลองเป็นัตว์นีีอันมูโต้มันเหากันย่เสมอมันคิดกันโย่ามู้จัดไมพักนายกพักนายข้อพักนายขอพักนายงแต่ว่าเอาแต่คาดีมาพูดกันแต่ว่าแขนของใครของมัน แต่ละพักละพักเนี่ซ่อนไว้เหมือนเหมือนเสือเหมือนแม่อาซ่อนเรียบร้อเอาความตดตัวมาตัวกันจำไดแท่ซ่อนไว้ทั้งหลังเพ่อม่บอา <c oughs> เอาข้อมตีตัวเอาข้อมีข้อมีมาว่าตัวกันจำไดแท่ซ่อนไว้ทั้งหลังเพื่อเนี่ยปูที่ตั้งแฟนไว้จังไดเห็นท้งสามันจังแนวเป็ี่นนะมู้ตัวม่เอาเ <c oughs> ก็บบ้าว่าเนี่เก็บบ่ เจ็บป่ะบนมีสุก่นหรอกมันอาปมันมันหางมีวันหรอกนั่นนี่มือมากก็ลากไปได้ทีว่าอย่งไรันลากไปทั้งดีมันก็ดีลากไปทังตัวไปตุกเหนวมันหรอะในหลวงเข้าเนียว่ามันเป็นในคำในหลวงเข้าเป็นชวนมากกว่ามือวันนี้เป็นชวนมากไม่วัดแตจะเป็นเลยไงมันู้สิหวังผลทุกนายวัดทุกศาลไร้ลอยตัวหนึงขาหายากก็ได้ยังไยแมนว่ นี่ ว, ว, ว่าไ่นี่แต่ว่าไม่ได้ว่ายกตนเขาเพิ่นไหนว่าว่าตามก็เป็นจริงได้ไงนี่แลมันจังมุ่นไหวอยู่ในโลกอันนี้แลอน น, น, นี้ยังลุกงไก่แมวหนึบเอาไงอยู่ในโลกมนธรรมดาเลยนเนปฏิบัติโตยังยยงดีนโอ้มันเปด้ยากเลยพระพุทธเจ้าสร้าสงสอนมันละอาบาบยามุกทุกประเภท อบายมุขทุกประเภทเป็นมนุษยิบัตเป็นสวิบัตเป็นพุทิบัตเนี่ยเป็นนิพพานิบัตมกเาเวนอับายมุขสลมันก็เป็นซุปท่อนตัวเนี่ยเป็นนิเป็นศิลน่อบายยมุขอะไะมุขขามุขขาแปลว่าจีบหายเสืงหน้าสือปากอับายมุขมันมเมนตมีเตล่นเล่ห์เล่หเล่นสาวอับอายยมุขอะไรให้นี่ไม่อยากจเล่ <clears throat> มันมมอยู่เนี่ยมีอยู่ไปเรียนสาวอันนี้ยอาบายยมุกเนี่ยหนึ่ง แค่เลือดยังก่อนแ่ให้ยงเหรอแทงให้เราะว่าอธิบายหลวงปู่ฟังหลวงปู่คนโบราณไม่เข้าใจเพแทงเนี้ยมันเปยนี่ ให้ผมจสักาโอ้อันนั้นก็เป็นการพนานคิดกันที่นี้อซ่วงเฮือกงแพมื่อไหแม่นว่าถึงวดแดงกัดกันงวนกับแม่นขาดนั้นดูเทวทัดดูเทวทัดเนี่ยกับแม่นอบายะบุกเท่นั้นะเทวทัดว่ามันโทรทัดเนี่เขาสง้วยย้่ในหันมีตัวลราลงคะแนนกันจำตัวเรามือโตแม่นว่าพระเระแม่น่าว่ามันเนิงขี้งเขาหนมล่โทรทัดกับแม่นตัวรักง่วยก็มีตัวทีหรือมีฮะ แล้วก็ลงคะแนนกันอีกมู่วตัว น, นั่นแล้วเทวทัตนะเดิมหน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันก็นนน<อ> ค, คนชั่วเป็นมิตรเียดข้านทำ ง, งานในทางที่ชอบดื่มหน้าเมามีทวดถกเสียทรัพย์ก่อความทะเลายไไว่าตื่นโรคต้องตีเตียนไม่รู้จกักอายทอนกำลังปัญญาเที่ยวกลางคืนมีทวดถก เช่ว่าไม่รักษาตัวชื่อว่ารักษาลูกเมียเชื่อว่าไม่รักษาทรัพสมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใ่ความและความระมัดมากเชื่อดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกกรมที่ไหนก็ไปที่นั่นดีทีตีเบาที่ไหนก็ไปที่นั่นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั่นเถาวัลที่ไหนก็ไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นพค้คนชั่วมีโทษตามบุคคลที่เขาผูนับให้เป็นนักเลงหญิงนับให้เป็นนักเลงสุรานับให้เป็นนักเลงเล่นการพนันนับให้เป็นคน ลวงเขาด้วยของปลอมน่าให้เป็นคนโกงเขาเสื่อหน้าน่าให้เป็นหัวไม้เหียดขั้นทํางานไม่ทั่วถกหนนักแเรมันทํางานร้อนนักเราไปทำงานงานยังเช่าอยู่แล้วไปทํางานเวลาเย็นนี้เราทํางานหิียวนักเราไปทํางานระหานักเราไปทํางานผู้หวังเจริญไปพวกระทับจงเล่นเหตุเครื่องคิบหายหกประการเหล่านี้เสียนั่นพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนคักปัญญะพระพุทธเจ้าใครที่ไปสอนโลกแก่งวันพระองค์เจ้าหอง สัทธาเทอนุชารังเป็นผู้สอนของเทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายแล้วตรังปุญญาเขตรังโลกัดสาติเป็นนาบุญของโลกไม่ใช่นาบาปของโลกคําสอนพระพุทธเจ้าสอนอันเดียวกันบ่พระพุทธเจ้าสมาตั้งรอยโกดกษะเ่อเดียวเปลี่ยนพอระบกันก็คือมู่เฮามู่เฮาเปลี่ยนพ่อระบกันเยอรมันนี่เหมือนกันเหมือนไปจักรราห์มู่เฮ้าเอาเพื่อนวบอกเลยบุเมหับเพ่นวัดเปลี่ยนเนี่ย สอนโลกที่ว่าสัทธาที่เอามนุสาติอามันผู้สอนของเทวดาแลว้วมนุทั้งหลายเ่อใดว่าสิมาลำเอียงสอนในประเทศไทยเนี่ยเมื่ว่าสิมาลำเอียงสอนหนึ่งในประเทศอินเดียมันเหรอเออพระพุทธเจ้าออกมากินอะไเนี่ยทำให้โลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างคนามอายต่อบาปความกลัวต่บาปเท่านั้นจะกุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีควา ม, มลกลัวต่อบาปแล้ว ก้หมายก้หมูก้ทักก้พวกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของทาไม่นาคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วไม่ได้ก็ไปทาในที่รับนักเพิร์นโมเดียวลูกระเบิดนิวเคลียร์เพิรนด้วเนี่ลูกระเบิดปรมาณูเพิรนโมเดีวเนี่ยเพิรนมาเอาคว่ำระไอต่อบาปปวดตบาเป็นเทียมข้องลูกพระพุทธเจ้านักไกลกันเมื่อกมูอ่อนนั่ับ บอกไปได้หมพวงมวลังเทพหื่างม่ตยลับการเ้ทองอยาาเรียนทองารประารแรกหักกรรมหลักธรรมรรมธรมธรรมธรรมธรรมธรรมรรมธรรรรมรรมธรรรรมรรมมธรรมธรรมรรร การที่สอคือการดับทุกข์การดับการดับทุกข์กมักแปดสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมักเป็นผลของนิโรธมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่ สมุทัยความทะเยอทะยานในตัณหาทางปวงก็ค่อยเบรกลงห้ามเบรกลงไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติทุกแบบปฏิบัติสมุทัยแล้วปฏิบัติมักแล้วปฏิบัติที่รอดอันนั้นมันเรียงแบบนั่นขย้ายออกไปเฉยๆแล้วเมื่อเราเห็นทุกเช่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ะเห็น <EX S 1> ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเนียที่เข้าใจผิดมันก็บรรเทาลงความทะเยอทะยานในโลกทางปวงก็บันเทาลงเมื่อความทะเยอทะยานในโลกบันเทาลง สมุทัยได้ตัณหาก็ทะเยอทยานตัณหาคือความทยานอยากได้มีรูปะตัณหาสัทธะตัณหาสัทธะตัณหาร้าธตัณหาปุถะภาตัณหาธรรมะตัณหาเป็นต้นคือทยานที่ะเยอทยานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโปุถะภะในธรรมารวมว่าเป็นตัวกูของกูเนี่สําคัญอ่าเมื่อทิงเหล่านี้ระงับลงแล้วตัณหาทั้งหลายก็ระงับลงมักก็จะเดินไปในตัวมักก็คือดตัวเหตุผลก็คือผลของเหตุคือนิโรธมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธ ทุกเป็นของควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นเหตุไช่ละมักเป็นของเจริญยิ่งนเป็นเหตุที่ทําให้แจ้งมักก็คือหินสมาที่ปัญญาเราีรนีๆเองมาแปลนิสมาทิติสมาสังกะโปแปลว่าดําริชอบดําลีในออกในการจะจะออกจากกามหนึ่งดํัมลีในกามไม่พยาบาทดําลีในการไม่เบียดเบียนหนึ่งสมาว่าสมสมา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูเป็นตัวปัญญานี่สัมมาวาจาวาจาชอบเว้นจากวจีทุจริตสี่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อ <c oughs> สัมมากำมันโตทำการงานชอบเว้นจากกายทุจริตสามเว้นจากข้าสัตร์รักทรัพย์ประพฤติในกามเรียกว่าการงานชอบสัมมาวายามโมพยายามชอบ พยายามสังวรรบปทานเพียรระวังมาให้กระบาบเกิดขึ้นในสั้นดานประหารระทานเพียรระบาบที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสั้นานอนุรักษณาประทานเพียรนะครากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อความเพียรทุกอย่างนี้เป็นความเป็นชอบควรประกอบให้มีในตนย่นความเพียรลงมาเป็นสองเพียรละชั่วทําดีเพียรละชั่วทําดียอนลงมาเป็นสองสร้งเข้ามา สมาวายใช่ไหมสมาสติเลยลึกชอบคือลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่พิจารณาการเป็นอารมณ์ว่าสติปัฏฐานทั้งสีกายนุปัสนาพิจารณารเป็นอารมว่ากายในภสษาว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายนุปัสนาสติกกำหนดพิจารณาเมตนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเมตนาคืนี้ความสัพควเวตนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวตนานุปัสนา พิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือป่องให้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี่ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานวัตนาพิจารณาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มาเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว bon ่าทำนี่ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัฏนาโดยใจความคือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมลงสู่อนัตตาธรรมไม่ใช่สัมไม่ใช่บุคคลนะสมาสติรับชอบสมาสมาธิตั้งใจไปชอบเจริญฌานทั้งสี่ ปฐมประชานตัตติยะฌานตัติยะฌานซึ่งเป็นอารมูปฌานอารมูปฌานก็อยู่ใต้อำนาจ อ, อนิจจังเกิดขึ้นในกรเปรย์ปวนะแต่สายสัมมาสติสัมมาสมาธิเจริญทางที่นี่ในในโอมัสทั้งแปนั้นเห็นชอบดํำริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาสีขาเจริญใจชอบทำงานชอบเรื่องชีวิตชอบสงเคราะห์เข้ า, ขาในสีสีขาเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเคราะห์เข้าในยิตตะสีขา ทีนี่สมาธิติยดลงมาเอกเห็นชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาทัก็ปะดมริชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาวาจาเจรจาชอบบริกรรมในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมารกรรมันโตการงานชอบคือพิจารณากรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาสติและลึกชอบ คือลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความหมายเดียวกันเพอย่นลงมาแล้วย่นลงมาในทางปฏิบัตินะมักแปกก็เป็นเชือกแปดเกลียวถ้าเราไมา่ลวงละเมิดศีลท่าก็เป็นเชือกข้าเกลียวลวนลงมาเป็นเกลียวเดียวกันเป็นเชือกขาเกลียวศีล ส, สมาธิปัญญา ก็ยน่นลงมาเป็นสองกายกับใจยน่นมาเป็นสามกายวายกายใจยน่นลงมานี่ถ้ายน่นลงมาเป็นหนึ่งก็เอกันเนี่บาปคือคิตใจมโนผู้ฟังเข้ามาธรรมามโนเสดข้ามมโนยะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่จะมีมากมีน้อยก่็มากน้อยออกจากใจบุญจะมากก็บวกออกไปจากใจบาปจะมากก็บวกออกไปจากใจคูณไปจากใจนี่พิจนาเนี่ยทางย่นที่พูดเมื่อกี้นี่พิจรณาตามคริยัติ ปฏิยัตก็ยัดเข้ามาหายใจปฏิบัติก็ปฏิบัติใจปฏิเวทก็ผลของการปฏิบัตินะดนลงมานี่เองขยายก็ต้องไม่สงสัยในการขยายย่นก็ไม่ต้องสงสัยในการยน่นจะนับเจหนึ่งถึงหมื่นก็ตามก็นอกนับออกจากหลักหน่วยถ้าจะย่นลงมาก็ย่นลงมาลักหายรักหน่วยนะสัพ ท, ทุกย่นลงมาหาเอกทุกอสัพพะอนิ จ, จังย่นลงมาหาเอกนอนิ จ, จังเอสัพพะตายย่นลงมาหาเอกตายในปัจจุบัน ครับตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันเมื่อเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยนี่คือตัวศีลนี่คือตัวสมาธินี่คือตัวปัญญาตัวศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันตัวสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันตัวปัญญาก็รอบรู้ในปัจจุบันนั่นตกลงศีลสมาธิปัญญาปรุงตึงการเป็นกองทักธรรมอันเดียวกันถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะทิ้งความสงสัยไปได้นั่นถูกไหม ข้าราชาก็ทําได้ไม่คัดคองปันที่ตัวข้ามาวะสังบัรทิตเป็นผู้คลองเรือนนับแต่พระสวดิาวันเป็นต้นไปบันที่ตัวข้ามาวะสังบัรทิตเป็นผู้คลองเรือนนับแต่พระสวดิาวันเป็นต้นไปถ้าใครอยากจะถึงพระสวดิาวันก็ไม่ยากไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดสินห้าไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดอบายยมุขไม่ใช่ได้อยากค่าขายเครื่องปะหารค้าขายมนุษย์ค่าขายจัตเป็นอะไรไม่ได้ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนมอคค่าขายยาพิษไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิด ถ้าเชื่อได้อยากร่วงละเมิดไม่ใช่พระสสดาบันอสิ่งที่เราไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดมันก็ปฏิบัติไม่ยากเนอ้อสิ่งที่มันอยากต้องการร่วงละเมิดอยู่มันก็ปฏิบัติยากเช่นน้ําน้าลายเจียวเราเบื่อทิ้งแล้วนะเราไม่ระวังสูสูระวังกูเนอ้อกูจะไปเอาน้ำลายมาอมอีกเข้ากับวารีวาเม่ยนบอเขาเห็นว่ามุมมีประโยชน์ขัดแม่เราเขากับิ่มเขามาใช่ได้ด้วยมีนบอกเอามายังมุข ก, กันนี่แหละคณะเห็นว่าไม่เป็นทางกิบหายดิ้งลงไปแนละ้วผู้ใดมาส่วนห้าประเด็นกับมือหนึ่งกอดก๊ อันนี้ผัวจะคข้องว่ามันสียได้อยู่สท่ราก็มันเสียอนน่ะม่อครับม่อมอ๋อขันท่าถือว่าคําสอนอริยสัจธรรมเนี่ยมันเหนือขสอนได้ไปทั้งปวงแล้วาการเข้าเพระพุทธศาสนาเ็กบ่ได้ยอันนี้ขาพเ้าพาว่าแม่กวนอินไปนสั่นแล้วกนแคบตัว น, นั้นเลขสีออกก้อเขาไปแก้ยูเพราะว่แรไปแก้เขาไปัสรเ กาเท่าซื้อว่าคำสอนใพระพุทธเจ้าเหนือคำสอนในอไรทั้งปวงนี่แหะการปฏิบัติพุทธศาสนานก็บมาลำบากเข้าถือพระพุทธศาสนาอยู่สนาอยู่นําเล่า น, น, นี่ยอนญตทาเมทีตัวหนาโลอ น, นุญาตทำคือทา ม, มันประเสริฐอยู่ที่นอ น, น, นชนพนวาสน่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในงองไฟฮามันเนี่ยแก็มีสิทธิปฏิบัติได้ด้วยแม่ว่ามันก็มีสิทธิทัานกินมูดกินขูดเแมมูผู้แมงพงมันก็มีสิทธิทัางกินเกสรดอกไม้่ว่างได้มันก็ว่าปชาธิปไตยมันแม่งว่านแม่นหม มันก็ว่าสังคมนี้ก็มันเนี่แม่นบอกมันก็อ้างขึ้นกันมีแนวอ้าง้วแมงเพิแมงเพิมันก็ว่าประชาธิปไตยมันพื่อกันมันก็ว่าสังคมนี้มันคือกันาว่าถ้าเฮ้าเชื่อข้ามซ้อนพระพุทธเจ้าโดยแยบค่ายนะปฏิบัติมันกับ่ยากเลยเฮาปฏิบัติน่อยกับแม่น้องเฮ้าเลยปฏิบัติหลายก็บแม่น้องเฮ้าเล อ่างจมีผู้บอกว่ารับที่นั่นดีเียบที่นี่้าพันวันไว้ไปสาปันไม่ักสีควายมันกัข้องงาสยักเสือออนไหนตัวอ่อนไหนวันนี้ผีก็จากใดพพระพุทธเจ้าก็ยักษ์ถือขันเทพบุดเทวดาก็ยักษ์ถือขันโศกดีเลืกเลิกดียามดีก็จักษ์ถือมันเนา่ยถือไรเนี่ยรุดมือตายไม่นบอกเอ้าถามมาอีกท่าไหี่ก็ผมบัคนในพ่านในบวชนะฮะท่านอาจารย์อย่าุ่มดียังเสีย ตรงตอนที่ว่าจบครบเ่เสร็จเรียกแต่บวชนบวสําคัญเน่ว่าบวชกับพระปิยังผู้บวชมาล้าขาเรียเรีนเรียพระกับสูมูโตรักษาเสนาอยู่วะไรเน่อย่างว่าของสันว่าอย่ว่าเสียหนอ่าสำคัญเน่บวชเนี่ยว่บวชกับพระปิยังน่ยท่านทั้งหลายว่อยางบวชกับพระปิยังดอกว่าสันันมูโตบวชมดไผสิบดเ้ากินว่าสันพระว่า เป็นรองขันธ์นีมู้ตัวสามารถที่ได้พระตัวดาวันชัขขนโโก ข, ข, ข, ชอ ข, อข้าค้ามี่อนาข้ามี่อรหันยมู้ตัวก็ไดเป็นรองซันธ์พระองเจ้าแล้วครับสมาธิตั้งกำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะเราไมา่ได้ซื้อแต่ขอกับใครดื่มลมมาหายใจเข้าออกบ้างก็ไม่ได้บอกพราะเรามีอิสระอยู่ ถึงเราจะตั้งใจกำหนดหรือไปตั้งกใจกําหนดมันก็หายใจเข้าออกอยู่แล้วเนี่ยมันคล้องมีอยู่แล้วเนี่ยพุทโทพุทโทในใจจะเรี่ยนไม่กระดุกเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจเข่าล่มกระทบนี่ล่ ม, ม่าพานดั่งจมูกสิไปพานไสล่ล่มออก่าพานนี่จะพานไสก็ต้องจ้องบางอรณีที่เนื่ยเพิ่นจังไห้หัวจงางไปนี่ทสานน่นี่เสาชิ่งชามันเป็นโกโ ก, ก้มากเนี่ยเสาอสาุตซา เขาก็กลัวไปกวยมากจริงๆเข้าห้ยมีปัญญา ม, ม, าม้าหมอบอยงนี้ครับเขากลัวไปพุ่นยักษ์เนมัก็เพราะปีนังนะวต่เขากลวัวทันทเขาบอกเน่ยมันก็เพราะปียงัววยยงว่าเต็แเนมเต็มันมันพานอย่างเงี้ยนี่นี่คักห้ายอย่างสมาธิอันนี้กลัวไปคือเขาเรื่อยมาเองสิเขาดึงสันดึงแง่ก้อยหัวจักะอันนี้คือสันเข้าหาใจสัตว์ใจแง่ก้อยหัวจักเข้าต้องการเห็นมันก็ต้องเห็นไงเขาเข้ามันกับ มันดังมนุษย์เนียกบว่ามันดังม้าเนี่ยเฮ้ยเรียว่าดังมอันีมดมกินอุจจาระกันทีถือกินขงแมนเหรอเฮ้มันเาเลื้ยงวิสัเลยเฮ้เห็ดเห็นอยู่นั่นเวลาจะมาต้องการมานน่หายใจเข้านั่นหาใจออกน่นหาใจเข้าหาใจออกหาใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทษอะไรเพื่อจะผูกคิดใจให้มันอยู่เพื่อให้มันหยุดนิ่งอยู่ขันาว่าผูกคิดใจมันเนี่ยมันไปปั่นเร่องเต้นงานนั่นเต้นงานนี้สารพัดอ่ะ ควาตึกเป็นเครื่องเครื่องสัญจรของโลกอรมาคนจเข่าก่าค้นตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกห็นทั 00: 00, ้งทั้จริงหยุดได้มันได้หามเบรกมันแล้วจะปล่อยให้มันไปรลายกัน ม, มาจรงหรออนาจที่อำาธที่อำนาจที่กับชาติอันเดียวกันชาตินั่งชาตินั่งกับตัวท่อกับเทอชานั่งแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิงแปลว่าตั้งมั่นในการเพร่งอยู่มีความหมายอันเดียวกันคือมนุษย์กนแต่ไม่ไมีความหมายอันเดียวกันน่นกากลไปอโอ้ สี่เดียรเป็นไรี่าวหน้าหลวงปูเป็นนาฎิกามันหลังีท่อนแรเนี่ยให้เข้าใจว่าคำสอนในแต่โลกธานเนี่ยมันเป็นเมืองขืนคาสอนพระพุทธศาสนาวัดมุตโต้มาเคลื่อนยันเพื่อนเราเชิญทิยตมันจะมีเชมญเทียตจะมีกี่ล้านล้านเขาไปชื่อเป็นทางตาที่เดียอหมดชั้นใหคำสอนอะไรก็เป็น เมื่อขึ้นกำสอนอุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉํานั้นไม่พูดอีกว่าจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้คือการพูดได้บทท้ามันก็ห้องกระกาแล้วข้าวขิ้นกับการละเพื่อใด้บทท้าของกากาอยู่ที่ละห้าเนี่ยโมโสงสัยในห้าเนี่ยบ่นะมันสียบว่าห้ามมันเสีเแถี่ยวเด้มันประคุณเลยเนี่ย เ้องเห็นเห็นบาวต้องใช้อะไ้เหบนบ้าวสามลูกบูยักคงทิพเห็นยังไงกับกับกับพระที่บางทีจะเที่ยวไปปฏิบัติหรือไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรจนะครับเ็อันนี้ควเกี่ยวไปเอะไรสั่งเที่ยวไป ให้เล่นให้เบอรยกไปแสดงตัวเองอย่าที่มานอย่างกำมือนามจตยตีโลโกโสส้สร้างโลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้ามันมอมีของสัวมันกับมองจักของดีถ้ามอมีของดีมันกับมองจักของชูวมันก็เป็นมาตั้งแต่พันไดเอาร์เอโรดว่าหนามาตแต่สร้างโลกมาเขืเบิงพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเป็นพิชัยนางพิมพ์ผ้าแต่แท้ เป็นพีเมียของพระองค์เจ้าแต่ยังมาเบียดเบียนพระองค์เจ้ามันบนาที่เป็นไปเนี่ยมันก็ยังปิดเนี่อที่ว่าอย่างไรอีกแต่ยัว่ากรรมของเขาออะพระเ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธะแต่ยังถือว่าคาพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่เพราะสามารถจะเป็นไปขณะอนุโมทนาตัวนั่นแตยังว่ากรรมของสัตว์มันท่าจะเป็นไป คือผ่นดินนี่กัยังไม่สูงไม่ต่ำไม่รุ้มไม่ดอนมันเปลี่ยงจบว่เพียงกันี่ยกันยึดใจของวัสดุกันไงเนี่ยกับว่าใส่เข้าไปเขานี่ยทำยังไงเออตามวิ้ญาัติโลกวัสกุเป็นไปตามกันเมตตาเข้ากับเมตตแล้วมันไม่ได้ผลกระลุนหน้าตอนนี้ทําถูกเข้ากระุนหน้าแล้วมันก็ไม่ได้ผลอ่าตอนนี้ทําถูกเราก็มุทิตาค่อยๆยันดีมาเพื่อนในดีเนี่ยมันทบกวนในยากเข้ากับพยานามกรุนหน้าเพื่อจะขนกวยดึงออกมา ไม่เหลือวิสัยก็อุเบกขาท่านเลยอ่ะเพรมังกราทานก็ไม่ร้ายหนาอยู่กรรมของสัตว์หนอท่นแหลม่เหลือวิสัยหระพระพุทธเจ้าคือกังพระพุทธเจ้ามาเจรศักดิ์เจรพบเนี่ยมาเอาข้นมันมันใดเหมือนเลยก็ได้เพียงเขาหัวท่านขนว่ามันไปใช้เม็ดกันแต่ละแต่ละยกเลยยกพระพุทธเจ้ากันพระอนุนยังถามพระพุทธเจ้าว่าอันคนสิไปสุขะตีมันไม่ร้ายวันไหนขน่อยไหมท่นตั น่ยดินติดมานี่ม่อะไรก็สัตว์สู้ยกกันดินร้ายประเด๋ยวสัตว์เปิดวางสิพระพุทธเจ้านะซัดมั้งหนมันจะไปพันธุพาดมัดหนิมันจะมาเกิดเป็นมนุษย์ตะกอนไงนกนูปู่ปิดมันทางมันทำไม่เขี้ยวเจ้าพระพุทเจ้าองค์ไหนบุ๊กแต่พระพุทธเจ้าล่วงไปนี่มากกว่ารอยโกดเอ๊ะชิม่าเอกมากกว่ารอยโกดเทั้งหลาพระพุทธเจ้าจึงมาลายเนี่ยก็เพราะัทั้งหลายมันยังมีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หิวไปหิวไปไรเที่ละ พอเขาง่อเลยจนพ้นหง่กาก็ฝากพระพุทธเจ้าองค์อื่นไว้ตะพึดตะพื่ยไว้แล้วเป็นอะไรขนาดนี้นเช่นไกนออกจากมันได้ไอไไไไ้วันนี้น้วันวันใดเขาวันใดนับวันันรอแต่ผมมองในแ่ทับมันมามางทีผลกระทบกับกับส่วนรวมของค น, น, ก, นงก็ถูกด้วแล้วกับมูไผ่มมั่นนี่หันผู้มั่นสางดอกบวัวดอกบวักบวใต้นา้า คำพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าดอกบัวสีเหล่ามีอยู่ทุกๆุคทุกสมดอกบัวสีเหล่าดอกบานกับบานเต็มพู่มดอกตรมกตูมเต็มพุ่มดอกเสมอน้ามกับเสมอน้าเต็มพุ่มดอกใต้น้ากับใต้หน้าเต็มพุ่มดอกบานเต็มพุ่มคือผู้พนพพลพอยไปไปแล้วดอกตูมเต็มพุ่มหมายความว่ามาูตะเกียบตะกายตะผนอยู่ดอกเสมอน้าหมายความว่ามากลังปฏิบัติศีลธรรมดอกคือใต้หน้าถือว่มีบาปมีบุญหรืเปล่าหรอไม่ใช้อันนั้นเป็นพระคาาแห่งป่าและเตาคนะดอกบัวกวาเดียวนั่นก็อุปมาคือคนในโลกนี่แะ แต่ละดอกเขาอุปมาแต่ละบุคคลแต่ละผักแต่ละพวกาบอกท่านเอาหรอกว่า ก, ก็มีทุคุคสมัยยุคพระพุทธเจ้าก็มีทุคนี้ยุคนี้ก็ไม่ยู่มันก็ประจําโลกท่นมันก็เลี้มงไส้ไซอันเนาะมันเป็นไอ้กินตายไอ้ท่นเนาะคือเพิ่นน่ะคือคนถามน่ะแต่ยัจกจะเอาคู่บาอาจารย์ไปขายอยู่ขายกินนะั่านบุคคน่ะเขาว่าให้กันเข้าไปว่าเขาผู้เขาเป็นปราิกเขาก็ว่าเขาไป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยู่สี่ว่างไรท่าน แ้วสิวจาไหนเล้ยวมันเหลววสัยไคนดีค้นดีทํไหนง่ายค้มดีก็คนซัวคนดีทํไหนง่ายก้นซัวกนซัวทำไหง่ายก็คนัวคนซัวทําหนง่ายค้มดีคนซัวทาไหน่ายค้มดีคนดีทำไหง่ายก้นซัวคนดีทาไห่ายมันตับกันตรงสิวันเลยมเป็นสามารถได้าไมันก็เหลียววิสัยเลยเดี๋ยวที่สัตว์เขาจะว่าอาเซอรจะพาเรานัง ยาเขาคน ผ, ล ผ, ลผานชาติชาติเป็นเม็ดวันคนควบันทรรทิดตัวไป็นว่ามันก็มีพ้นผ่านไปจาโลกู้วยกังสิว่าอย่างารไรตาลัมแตกตาใบเีอะไรเมื่อไหร่แต่ถ้าใครจเบ่งออกเขา ก, ขากอถามหลวงปู่คือขังหลวงปู่เราไปพวกแก็บทังงานสมัยนั้นหลวงปู่อายุจ 40, ี่ชีพเพลาเดียวเนี่นแะถ้าอาจารย์ท่าอาจารย์พวกพระวัดบ้านมาถา ม, มาเนี่ยนี่กายก้ขาทำมายุถึงเป็นยังไงใครดี ก็นานดยดำนายแดงก็ใครดีนายแดงทําทผิดนายแดงก็ผิดทำนายแดงทําทถูกนายแดงก็ถูกนานดยดำนายแดงใครชใชใส่ชื่อให้เพราะว่านายดําชอบชื่อดำชื่อแดงอะไอย่างนั้นฉันนายก็ดีสมัยยุคก็ชอบ ชื่อธรรมยุทธมหานิกายชอบชื่อมหานิกายเพราะเราไม่ศาสตราม่ไดยืนยันว่าธรรมยุทธเป็นสาวกของเรามัได้ยืนยัน่ามหานิกายเป็นสาวกของเราทูตปโนพระสวสดบาสักทาามีนาคามีเานั่นเป็นสาวกของเราเอสาวกาองตัวเศร้า้าโง่นี่แล้วสาวกของผูู้ม่าเจ้าท่านพูดอย่างนั้นท่านไม่ยืนยันว่าสายนั้นสายนี่ธรรมยุทธเรื่องมหานิกายเป็นสาวกของท่านเราตอบบบนี้แะตอบกรถกปั้นเาจะเสนผ่ากันเราพูดยวตอบมี้ลยเขาขบวัดกลบอกเออพูดอย่างนี้ พวกนี้ไปเยี่ยมผมนะเฮืยไม่มีเวลาจะไปเพราะมีเรกอยู่การเดียวไปทางไหนก็ยากเ้าบอกเข้าเอาพระพุทธเจ้าหมือว่าเป็นอย่างย่างาปานเขากบดีทอเพินอือตัวเข้าเอาพระปานเข้าเป็นอย่างงเข้าบัชัวเขาเขาอ่านถือเาปิวัังไงสั่งของฉันเอาหล่นว่าพว่เราข้อวาอจะสิดตั้งวนกันยังฉันแล้วเข้ามาเป็นพระพุทธเจ้าฉันเข้ามานพระพุทธเจ้าต่เอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างยงเข้ากัย่งบดีทอเพนตัวเอาคน เสมอเข้ามาเป็นอย่างย่างเข้หรืดดีกาเข้าได้มาเป็ยนอย่างย่างเขาก็มาใส่ดีท่อเพิ่นตัวเอานเสมอเข้ามาเป็ี่นอย่างย่างเข้าเข้าแผงต่ำก็เพิ่นตัวเอานต่ำต่าก็เข้ามาเป็นอย่างย่างเข้าแผงต่ำก็เพิ่นเป็นต่างขันเทือกันนะเ้ามา่าจารย์ฟุลข้นสำหรับปฏิบัติไปในเถืดอาจาปฏิบัติไปได้ก็ว่าเป็นพระอรหันต์หรอกคุณอาสีแต่จังหวะนันไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอนาคามีเพะเอาอาจารยตัวว่าคือไม่ได้พระอนาคามีพระสกทาคามีเพราเอาคือไม่ได้พระสกทาฆามีพระสวัสด ไปเทวโลกเข้มาโลกโดยกำลังน่าเอา่ได้ไปเทวโลกเขมาโลกโดยกำลังสา้น hmm. ก like ัไปเปนมรดด้ำ่าเอาหรือบาทีเอาไปเตะตกหมารพอกันข้าวานสิว่า่าเข้าอันทุ่เฮ็ดไปก็เฮ็ดนามาสั่นเฮ็ด่ได้เป็นมรเศษทีแล้วม่ได้เป็นเศษทีก็ดีก็ไปขอพระจีนรักพระจีนบอกว่าสั่นตัวอะไร่มาสั่นพระพัแ่นที่หกเาไปสานฆ่าละวานจะเต่าปีสิปีก่า ไม่เคยไปจำไม่เคยไปจำภาษาที่อืนเลยที่นี่โอ้ที่หล่ถึงได้จำิตเลยม่สองพันสีร้อแปดหกจำภาษาที่ออดรนแปดที่เจดออดอนแปอทดออดอนปดรีเก้าหลวงปู่มเก้าทีเหลวงปู่มก้าทเหลวงปู่มเก้าทีงหลวงู่ให 912รบกุมที่บันท้องผือตมบนหนาไร่อำเภอพนน่าในขุนจังหวัดสกลนครถาวายพระเพิองแล้วแร้ววันที่9 3ไปกำลงังรบกุฎิเหตุถึงกบบเป่งพุ่นร่วงภูเก็ตตั้งงาสามปัญชาออกจาคารว่ากมาขึ้นวายุนภริจันทร์ม า, าบวข้ามสอีบังไซสามปัญหา อจากคันว่ากับมยุผูเก่าเอยยุผู้เก่าบางต้นเขาปหาลอยผู้เก่าบงต้นบาไปมะยนี่ัญาอยาขาปัญาอะไรยุนี่เท่าเดียวนี่ก็ว่าก็ยังนี่แลลงผิวยังไม่เคยไปไม่ไม่ไปเลยว่าไมได้ไปทือเดิมตะกี้เที่ยวสองคนกันแล้วเอาหนังสือประวัติว่าแกะไปเอาประวัติอยาุมจาแบแปลนเตือไปย้นมาหน้าทั้งการพิจารณาทั้งการดูหนังสือมาเทียบกันอีกฟุตตามเป็นงานการฟังการดู กินตามายัปัญญา้าพิจารณาภ้าวนหน้ามันขาวนหน้ามายกปัญญามันกรพรอมือนที่สมอ่านเ้กอันไดนดีได้สัวกจักเนี่ยคือเข้าไปเลือกข้อซารนี่ยด้เข้อซารอันนี้เขากรองอันนี้เขาซุบอันนห้เขากับองค์จักรของสันต์วะเข้ากับพท่านเนี่ยกนผมมือนี่ก็พอดีถูกไปรับสอนชื่อไหมปนับสอนางวุฒิเจร่าเอ่อนเนาะ คำสพุทธเจ้ายืนยันบุกงคันบัดเจ้าทุกทุกข้อหมากมากข้รลอยโกดหลับลุกหุก็ยืนยันคาสอนอันเดียวกันบัตเมื่อถ่อกเราบ่ไม่ก่อไว้เหมืันแท้คาสอนพุทธเจ้ามันคืองห้า ว้าวจุดความกันมัดบานกระซามัดตจโลกธาตุนี่ไม่คว่ำเห็นดีว่าไม่มีบาปไม่บุญนะ่านมันก็บ่เปนี่ยนไัดก็่เปลี่ยนไปตามความเห็นของชาวโลกความชาวโลกสะพันกันมัดตจโรกธานี่ว่าบาปว่เมีบุญ่เมียคุณพ่อคุณแม่่เมีก็เลงความเห็นกันเลยตางคนมางกันกรรมนี่คนก็กรรมมันกับว่าไปน้าเสีว่ายงไรสัท่านนี้นี่มันสำคัญเลนี่กรรมคนละคนก็กรรมมันไปน้าคนมหมานาเดียวท่นมันกับพระตัางต่างนาเดียวของท่น พระุทธเจะออไดตังนานเดียวเนละ้ไที่พ่อนาสงได้ท้อนาบวคคนไ้ที่นาวัตถุไน้นนที่นาธรมาร ม, มากาสมมุขคำไม่ได้เดียว่าสมมุขคไม่ได้ควที่สองสัพปะการท่าสมมติแก่พระนันว่าเป็นผู้มีส ต, ติเต็มที่เพื่อจะไ่ใครกัท่านอาบัตเรียกสติไว้ในอันนี้อันนี้อาทิก่อนนี้เกี่ยวกับพระนันยำเลยเป็นผู้มีสติไพบูร ไม่เป็นหน้าที่ของจำเลยจะทํำละเมิดดังที่โจทก์กล่าวสวสดกรรมวาจาอาจารย์ว่าแล้วให้สิติให้สติวินยัยแล้วรับฟ้องของตจวกเสียหน่อย่อขอสามความที่สงสาประกาศให้สมมุติแต่พิชซูผู้หายเป็นม้าแล้วเพื่อจะไปใครโจทท่านโดยอาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเรือ่องอามณ์หาวินยัยพิชซูผู้เป็นบ้า ในเวลาเป็นบ้านจะหันมควนโจดอาวัตทหายเป็นว่านอะไรจะอยโจดถ้าเป็นอาวัตยังในเวลาทําเป็นบ้านก็ต้องหาะมูุ่าไว้ได้เลยนะความตัดสินขอ้อตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเย้พยัติการพวเขาถือเอาเนี่ยไปร่วงคะเร น, นไปร่วงคาเรนเสียงกันทุกสมัยความเอ า, เอาตัดสินอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเย้พยติกาเนะี่ยนี่พวกเขาถือเ อ, อขนาขอนี่ มันมีขอามไม่เอกว่าคำของพระเจ้าคำพุทธการน่ะต่อที่ยันลบพระใจไปลบกระซ้างข้อบัพคับของเจ้าวอกมาเป็นสินเป็นท่าข้อบังคับเจ้าเกียดมันเลยเให้มาออกเสียงในสังคมนั้นนั่นม่เฮาว่ามึงมาบ้าออกกับกูจ้ามึงแม่บ่นั่นเรียกพิเศษกาความตัดสินเอาตามคํำของคนมากเรื่องเรียกพิเศษกาความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียก ตัดสปาพิเศษการความให้ไปเนี่ยไปนอนมันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรบตินนมั า, กานกับมไหตินนมัน า, านะกับไม่ไหนที่หมวกโตหวกโตใสยุว่ววาไก่เคียอนไ่เคียนให้เขาเขาที่จะจะไ ก, กเคียอะไรจะที่คาร์บอเล็กน่อยถ้าเป็นที่คาบาลชิบปแลไกเคียกันเม่ไรพิก็ต้องวพิษนะที่ไเกี้ยกันเป็นเป็นอาบัเล็กหน่อ ย, าา ก, ยก็ยกกกยกมีเล็กหน่อยท่านนี้ก็ไม่พอก พบกจ้ำลือยเี่ยก็มีตังหาร่อยแล้วก็ผักจ้ำลือยเี่ยก็มีตังหาร่อ ย, อยเดี๋ยวไปอาวัดเล็กน่อยก่อนไกเคียขาเช้าให้กลนไกลเกียนเนี่ยที่อาวอาเล็กหน่อย ก, ก่ยอนเอนาะ้เข้าพุทธศาสน์นะเอาําทำเป็นโรค ก, กระบาลคือคุ้มครองโรค2องอยางความพินิความละอายต่อบาบโอตะปะความกลัวต่อบาบตอนนั้นจะคุ้มครองลงได้ถ้าโรคมันมียาอายต่อบาบแล้ว ข้อหมายข้อหนูข้อพักข้อพวกก็ตั้งมาอยู่ของทาไม่นาคำหนึ่งก็หมดที่เพ่งพิงอิงอาศัยก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทาความช่วยในที่แก้มาได้ก็ไปทาในที่รับนั่นนั่นนันนั่นเั่นับพนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นั่นั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นั่มีั่นนั่นั่นนั่นั่นั่นั่นั่นั่นััั วัดไม้ก้อนหมูก้อนกอกก็ตั้งมาอยู่ผู้คองทาให้นาคํหนึงก็หมดที่พึ่งพิงองอาศายัยทำความช่วยในที่แจ้งมาได้ก็ไปทไํทาในที่รับนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นจะตัองอ้งไว้ชักล่ามา่นตากจากังไว้ทำไมคำมี้อยากออ้ต้อบาปาามันก็กลบเก่ากั้รอไม่นว่าสัตว์เหตุการณ์การละเริญพันธุ์ฏิเสษได้บ่นั่นนั่นคืการอาบน้ำพิเสธว ại, ่าไรมร่างกายสกปกการละเริญ ไม่ทาบละเือเดกกปฏิเสธอะไรคือการใจมันสกปรกมันแห้งร่างยากกักกกลัวกายนี่ว่าเนี่ยนั่กายสัตวเห่ากะล่างอะไแจะมันอ้วนระแคกล่าเน่ยอ๋อได้น้ำสเหาไผ่ข้านคนน่อยข้นเข้าไปล่างบอกอนั่นนะไรคือการเว่ากันเห้ากัแต่ควมดีเราออกกันอันเดียวกันกับร่างกายในวันเน่ยมนควมสวรอ่ะพี่เาเชียงไปล้างเราช่ยกระเปาล้างไป เนี่ยน้าขอ้าขอน้คขอน้าขอแขนกูกูทิเฮ็ดนัั่นขอให้กูจะเป็นอกูทเฮ็ดักสั่นเนี่ยแขนมันมันเป็นนัั้นเดียรนี้ว่าถ้าให้กูจเป็นได้มือเธออกูกับพลคลายเมื่อหอดกูวอาไวจักเนี่ยมันเป็นไอ้สิ่มันเป็นตะอุกไ่ด้หรกทุเนี้อังคมมือาสังคมได้เอาทั้งคอมืมาบอกกันเอาคนดีออกมาอวดกันข้าพเจ้าตั้งอย่างนั้นดีต้งข้าเจ้ายางนี่ดีตัวดรอีว่าจะได้พอใจมนุษย์เนี่ยกี่ว่างได้เลย่ร นี่ามก็่คนรารละีเหรแล้วนั่นที่พัฒนาได้บอกเรื่องีเหร่เรื่องสินทำนั่นนั่นนั่นนั่นมืตัวแล้วขันว่าอะไรธรราแต่พระพุทธศาสนาาสมัยมาตาสมัยออกจากธรรมะผพไ่อกม่้อนมาสนั่นนั่นนั่นนั่นออกแล้วออ้อว่าขันกเสือมอนีบาปเข้าไปได้บ้าแตเาบอกท่นนี่เรานั่นพระเจ้กรเจิงไปแม่นวะนั่น กือว่าอยู่บนนี้บอกอ๋อเทียกเสียหาซะหนาันลกไม่เสียหาเสี่ตั้งจิตที่แตกยังเรากระจายันไหวเห็นว่าขายของเขาว่าต้องเฝ้เอ๋อขายของเขาว่าต้องเฝ้าอ๋อคนแก่เขา่ต้องพี่ทหารเขา่มพี่ตำรวจเขาว่า้นตรงนี้ว่ต้อในวนไหวกันเสียเงินกัประมาณซื้อเครื่องมือแมนบอกในใจโลกธาตุเนี่ยนั่นลลกระเบิดนี่ยเคลีย ลูกระเบิดปรมาณูเป็นที่ป้อง ก, กันโรกเป็นที่ปกองโลกพระพุทธเจ้าบริวารนี้เนหะ็นไพะุทธเจ้าไปกินวละลนะ่ะมันตับมันไตมันน่ะ้วยังสิสงว่าพระพุทธศาสนาเคอะอยู่บอ่องของลูวของพูดจะไปเป็นคดีดำคดีแดงในโรงอส า, านี่เมอวันพวกทิโกกิเกพวกถือสินที่พยามันไฟไปบวาสเนาอ๋นั่นพอท่านี้กับพ่อเราแม่บ้นานนั่นใหยพวกถือ พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครปนคนงอเหบอกเาสั่นงอได้พูดถือเป็นผู้ธศาดแตได้พูดว่าถือว่าวิมุนีบาปบหนั่นโอ้เฮียหน้ารลวกไปนาบอกว่าเขาพูดลกห่ อ, อ, อพขา พ, าพูดศาสนามันเป็นดิ่งของโลกเลยเป็นดิง่งกฎหมายของโลกตุสบาแล้วเขาพศาพสานาเนี่ขันัง คันตั้งปนไมยหรือพรรคพวกหรือมูหรือเพื่อนแล้วก็บัญญัติบาปก็ถือสั่งพระพุทธศาสนาชาติอื่นบัญญัติบาปว่ถือได้บัญญัติถือตั้งไหนสักไหจะเป็นเมเจ้าพิโนหรอไม่ไฮนอตนำคอยสกปรนสมุติโตโตแมียสมุติดีบ่หรอบ่หรอเหตุสั่งคอยเชร้องบาเมหยเมียบอกมันก็ของพวไรเมียบอกมเห็นเม่ยเขาสกปน้างหมอบพอกยามๆนี่ เอกว่ามันเสียใจมากเยอยากท้าบมดและเพื่อให้พวกเขาใจง่ายค่าศาสตร์ไปสวรรค์เลนเะมือนดั่งดาวบสถงมันแย่เงินก็พระพุทธศาสนาเขาบอกพ่ะเนธสรโบสถ์ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมเขอความเป็นธรรมเอาเอาเอาธมาจากศาสตรนะไรเอาเอามาจากศาสรนะเอื้อมกับบรรัาบถ์นถว่าเนี่ย แนบอดีมันมาดีซะแนวดีมันมาบอดีซะทุลาจิตเมื่อนยะกินเป็นระยะระยะมันไม่มันมันไม่เป็นอะไรหรอกมันมาดีเป็นกินเป็นระยะมันกับเม้าเป็นระยะมันคิดขายเป็นระยะเมื่อเสียทรัพก่อการฉลอยหวัดเป็นระยะเกิดรอคต่องเป็นระยะต้องที่เตรียมเป็นระยะสร้างกำลังเป็นเป็นระยะโบมจักอายช่างกำลังมันโบมันมาว่าสร้างมันนั่นนี่ด้งเด้งของพระพุทธศาสนาเนี่เอ๋อสร้างใหม่ าสร้างวามสรางด้วยกันเราเห็นไหจากประเทศนอ ก, กนตามเห็นมาจากสาก็ตามเจ้าก็สามารถใช้อาจารย์ไงไอาจารย์วัชิธรรมคือดิงเนี่ยหรว่าเทต้องเท่านั้นเท่านี้ทิ่งเสวนกลางลงมาเรื่องบนจากเสวนกลางไปเท่านั้นเรื่องล่างจากเส้นกลางไปเท่านั้นขาทา ง, าางเท่านั้นขาข้กลางเท่านั้นให้พระให้ขากลางเสมอที่เรียกว่าโต้ง ว่าเขาโตงแม่นหมปกติวิหารแบบเาโตงมาสั่นเาโตงมันเป็นเชีดเข็ดไหนัซื้อนัอขังอยุยาเราอยุทยาปูเคพื่อนปู่ยังเข็ดแบบเสาโต่งมันตั้งแนวนา่เขากลางว่าเสาโตงคือเสาอีกเากลางเสากลางเขาจ้างอะะมันกลางออก นี่นี่นี่อ่ะขายที่แก่านไอ้ก็มานใช่ไหมสร้างใหม่สร้างภาษาสาั่งชิมริงไม่ได้นักกฎห ม, มายใา่ไหมแต่เมืองประเทศไรก็ตามจะิมคาสอนของพุทธเจ้าอะไรขึกร่นนลละเอาเป็นดิงขันชิมแล้วก็ไปใบอ่ะเจ้าอคาร์น่ะเออชิมแล้วรับหน้าไ่ได้อีก ข, าาลลขึ้ น, นารอ่ะเป็นไปใช่รับหนาบ 10, 10้าผิดกี่วงอ่ะ เพื่เครื่องวัดเครื่องสวงอะไรพวกนันเนาะนั่นและอาจารย์นะเหนไ้คือกัรเ็นทียังโ่มงมองพระพุทธศาสานามันไปศูนบไ ม, มหวานมาชาติทไต้ขมพระพุทธศาสนาจะไปไปว่ารอดขาว่าคนลงมืคุณพอคนแม้เื้อบไมหวานมีบุญมดไตร่ตรสาตเนี่ยอูนั้นก็บบเป็นไปตามนีอ เาอิษฐานมาเปียนไปเราข้นหมูหมากมัวเนีย์ของแมนวนี่พระพุธทธเจ้ามาบรญยัติรอรหาัรทั้งหลายวาบรรัญญติเป็นทิกข้าบดเป็นธรรมะอดียกเป็นแกนของหลวงบอคือพู้สวนขนอาพุทธส่นข น, นากับบรรัญญติอย่างเขาขังตัวเอ๊ะบ่เขาไหนเขาไหนล็กก่เล็กอ่งเขาขางตัวย่ให้แม่นบะเอเหรอเพวกคู่รง่นเรียน ไปรองของขด้วยเงินเดือนเดือนนี้คืนข้าวหายแ้หลายั่นพวกคู่นองเยี่ยนก็ถือว่ากวนหายพวกคูหรองเยียนหลายเพราะอยู่ต่างทิ้นต่างแดนอต่อสู้กับโรคทุกๆชนิดโรคมาเยอะเยอะเ อ, อย๋ยอันันเ อ, อย๋ยอันออมมนี้นเอ๋ยนมันักข้อมกับตำรวจว่ายพวกคู่องเยี่ยนใควรว่ยพวกตารวจด้วยคาวันเดือนขึ้นวันยุคกวให้พวกตารวจหลายเงินก็ถือว่าฉันตัวไม่ น, น่าสั นั่นนั่นเดินกินยาเพราะว่ายุอันตรายมากเพาะว่าเอาให้พวกทาหาราทาหารเราเอาช่วยพวกช่วงกลระหัวผมบอกพวกนี้พูดให้พวกทาหารหลายมันบ่เหมือนอันมันบ่เหมือนอันแฉกง่ามนเอ๊ะก็ไม่เชิดคือกันเห็นชิว่าตรงไหนแค่นี้ตายกับไปตายก้อนเจ้าพี่น้องพวกคอยเป็นเป็นหัวประเทศเป็นบ้านทาหารเป็นหัวแล้วพวกเจ้ า, านอนสบายอยู่ กหให้คยินที่หลายกมนมู่บางท่านมันก็ตายมันคอ ย, ยต้อนสิตายก่อนไงเหมือนทหารอ่ะนะใครพวกรัฐบาลาด้วยอ่ะอ้โอันนี้ก็มาเตียงข้อยกับข่ากกไปอ่เอันนี้ก็มาเตียงค้อยกข่าพวกอันนี้อันนี้อะไรกันแล้วข็้วให้พวกขาไป็ที่้ายบอกว่าเขาเนี้เอ๋อให้พวกข่า ห, าา น, น, หาน้ามาือหรออ๋อไหนเดี๋วเพูกข้ากัดตาเดียนนอนฝนมาสัน่นลัางสูขฟ้านาตัวเย็นมู้เจ้านังเก้าอี้เก็บเอาใครใครร้ายตีไว้สัน่น เรียกถือมเก็บภาษีขอหลายเ้ยเด้เนี่ยอัดไปนี่ฮะเ น, นี่เยเก็บแตงไงสันนั่นตกลงําเป็นโรคสบายคุ้มค้องสองอย่างเลยคนเราสาบายปวกสบากันนะน่าห้อยน้องขา ม, มึงบางต่างไรลงสู่มหาชนวทฒน์เลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำช้อนใดใดก็ได้สูงงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รูต้นนรตัวชั้นนั้นพูดไม่พูดอีกก็จริงอีก เทียบในทางเลึกงเพื่อให้คำหนึ่งได้หลายทางนั่นห้ายนอกครองเมืองบางต่างไรหลงสูตมหาธุุตทเรโดยไม่รู้ตัวจำไดคําสอนในไหก็ไหนลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจำนั้นไม่พูดอีกว่าก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้แต่ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นวันอะไรกันเนาะแครงม่าแต่งมุโยร์เทียบในทางสูงสิ เข้มทิดจะปีกีรันล้านก็ทิไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกควายจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้อันนี้มันจริงอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับเกลือ่มันเข้มอยู่อธาตของเค้มมันมันบม่ขึ้นอยู่กับผู้จิ่หรือผู้จิฟต์ตรงนั้นหรอรอท่านหร อ, รอาษาษานีแต่แสดงพระเจ้าพไมพสา ร, รพอ่อ แผนดินยึงเอวแวนเอาเอาแรงมาเป็นแวนเอาสินนามาเป็นแวนพระเจ้าพิพิสารยกอํานาจทิฏฐิขาดละข้างขู่งาจจะคืบในข้างพุทธการและทรงพระนามราชามาขคาโต้แรงพระเจ้าแผ่นดินมรดกผู้ที่ทรงอํานาจทิฏฐิขาดการตั้งกฎหมายไมเข้าข้างตัว เอาชิ้นห้าปาณาทิบาศเอาอจินาตามยมุสาตุลามาเป็นที่ตั้งมาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาถ้าปีนมากก็ไม่เอาถ้าไม่มองดูเลยก็ไม่เอาถ้าเอาให้ได้อย่แบบนั้นมันก็ไม่ก็เหมาะสมกับคารวะตัวทำของคารวะสิซัดจ้าซัดเถื่อแก่กันธรรมะรู้จักความคิดของตนจาะฆ่าสละให้สิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่ควรให้ปันทําของคารวาวพระพุทธเจ้าก็นี้ เช่นผ้าประการนี่ขนาดควรรักษาเป็นนิดไม่ไพศาว่าว่าจาะใส่มนจับสมแพแต่ก็ตายตีบกตัวม้าใช่ไหบอก่าะไรเ่อไกระต่ายตีบกตัวม้าหาเล็กช่ไหตีกะตายตีบกตัว ม, ม้าหาเลขสหรับผู้จับ เลขมหา ม, าหามหาลัาธ์มันอะไรรอเ ล, ร เ, เ, เลขับผู้เจ้าพระที่ได้เียนเลขเทนหลากองู้ตั ว, ตวยังไเขียนออกมาหาลหพระมันถ่จาเลขสิเหลืกไม่ไง <c oughs> คู่เป่าาครับภูธมโสะพ้อภูธรรมโสะพใจจิตใจใจถึงภูตัท้ามผสมภโทษแปลว่ารู้ะบาบบาเพ็ญบุญทรรมโอละไว้ถึงระบาบบาเพ็ญบุญสังข้ปฏิบัติเพื่อระบาปบาเพ็ญบุญเพื่อละท้าดีภูตโทรู้ทานท้ามดีธโอทรงไวถึงละท้าดีสังข้ปฏิบัติเพื่อละท้ามดีตกลงพูตัวธรมโ สองโคเขา่วงกว่านิติใจอันนี้หัวเข้าเนี่เป็นหัเป็นบุคลาธิการเอาหัวใจของเขาน่ะถึงว่าการละชั่วทาดีเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายนะโงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายนผดีนงมาไปเยทโทโโปเงินเดือนได้มามาเป็นทําจะเอาได้โมโต้ในมาเต็มแห่งสาเป็นดนจะเอาได้พจนขกรรน้าเล็มเนเนี่นิจ เดี๋ยวอายมาเอาานัสือมาโโตเอาไปอ่านเอาอ่านว่าล่พระสงฆ์ได้ใจคนถึงว่าพุทธคัมภพระสงฆ์ราดีล่ะได้ยังเต็มพระคาบนดีก็บพอได้ใจคนน่งจะว่พทธคัรพระสงฆ์อไ่าียได้ยินมูคนมาว่าเป็นาปฏิบัติธรรมนี้อย่ามาทเพิรูแต่ว่าเวลาเพิมาเพิก็เลส่วนยางเพิส่วนเัิรก็วาใช่ไเ่งจ็สิบหลานลงท่องเพิร์มายู มหาหลวงปู่ังเกิดในล้ห์หอขัตสาไ ม, <อ>ม่ได้อีค่ดีแล้วใช่ไมัตินหลวงปู่ยังใช่เหเรือีเอสีเรานสมหมหรสมหมนีู่กซื้อไเป็นน้องนะน้องคนตีเยอะลอยเอ็ดหดบ๊วยยุยเจ็ดยิงยูลอยเ็ดค่ะแล้วพาเพื่อนไปเปานยูชุมแพค่ะเออ เป็นคุยนี่เป็นรลานนดูก้อเป็นหลานเอใต้ของของหลานมั่ง้องคนอีสเดอเลิกมัง้องย็นอ่ะคือใต้นไปถังมปังอยู่่น่นจุ่แหน่่มน กินเอ่อมันเชียวนามเจี๋ยวนามนะมันกิ น, น อ, นอ้อ้อผียงมาแหงอเนี่ยยานียเออข้อแหองได้ ว่าถือว่าถือว่าถืออะนรมาเดืมไปมาจิบไปคอยเหรอปีนี่ตู้ตู้อากาศแรงแรงีมาเ น, น่พอเทาไปละพอไล้พอมเท่าไปควปามดดก็อ่นอนอ ล, ล ง, ง, ง, งเผมแรก็อ่อน แ้ำดักสูงเกิดกดแบบแบบรอแล้วน้อนายรอนจหลมแต่นรองหลวงปู่ก็ยังจงใจจอยพรหนุ่มู้ไปด้วยนี่เลยเหมือมอนครับค่ะโอ้ว่าหมันจอยว่าหายไม่ไดพหมันจอว่าหามันมันปวดป่วยมันปวดติดปวดมาอยไร่าหยปวดมอยงนี้มันรึงทั้งป่วยเลยทั้งปวยแล้วก็เลย นีตึงๆหอ่าขันข้าวไหมันทายว่าสะดวกกับตึงๆท่ออะไข้าวไร้มันทายสะดวกกับจอยลูอันจอยลูกอะรเราไม่แห้งค้วอันอนมไม่แห้งอันอ้วนมไม่แห้งอะไรมาคิดงงๆ อ๋อ oh. การทำอาหารอย่ยางทีเวทีสร้างทดสอบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จับตัวกับเป็นตั๊เขี้ยว ตัวมูกระตกเหตายฆ่าอยู่ฆาเหวเอินมาโมกวเรือมุกไปแล่นโถนลงน้ำเดียวกันทั้งพระพุทธธาตุระสงฆ์หาจินแลท่าที่สอเอาวางไว้จิเอาเรียกเอาหาเอาวัดแบบเบอร์มาแบงบาท่าระสาทมาเพิ่มความนักเขาว่าจิเอาทั้งรัดธ่าประสาแค่เสียทั้งรัด เพราะวาะ่าจะเรียนตัวนึงมันถือใช่ไหบาทาละื้านสองลานนึงสิ่เล่ามงคลทอนขายบานแล้วเต็มไม่ฝากไ่ดินก็ส่เนเล่ามาึงร่้ไหมที่พายกั น, กนมั น, ลม น, น, นไลนกันมัดแต่รบกทอนมึงมีเงินตัวเงินตายร่างเรียกกันหมดอ่ะเพาว่าจะข า, ายบาทหนึง่งเจ็ดร้อยแปรอยแล้วดีสตาร์ร้ี้ร้ยอยแล้ือบาทนึงขายเต็มไม่ฝากไม่ดินเ วันมัวลลงวัดก็บก่กาฟนท่า น, นชอบเมือ่อท่านพูดเลยพูดว่ากันว่าม้วนเอกจาราอก่าคิดหาใเดียวมาแล้วม้นก็มาจเจอร่วมทานเดียวยกัวาหาดยเดจไม่แต่พนพูดได้เจลากจาถูกแทนแทนพูดไปพูดไปเนี้ยปปไปไไปใช่มาเก็บ มัมาห่ออขอย่างนี้หลยฉันบงมัดก็แล้วกดูว่าเปลยนมันมาล่อขกอตรงนี้เดี๋ยนี้เป็นมาโนติบักบางคนเมือนโนตมักจังว่าอาบ่ายมุกอาบ่ายยามุกมุกคาแปลว่าชิายเสื่งนาเสื่งป่าก็ผู้ที่เจาะ้อใช้ซื่อก็ผู้ที่เจาะก็ย่อเข้ารบ กบาคจาเฮาแล้วพระพุทธเจ้าไปเล่นเล็กกันพัเป็นการพัดนเอาการมั่งรวมาบอกกันะสหายบุตรไม่เอานอจีว่นกันทอดเฮาครับสยจีว่นัก้าเราหมากันทอ่าหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินธามหลวงแล้วนอยังเบิ่งอเสียสพระพุทธเจ้าที่เข้ารถถ้ำหัวเฮากันย้ำมจความมายทเห็นความจัก ยังคงจับ ก, กันเป็นหนุ่บัวเียนจงว่าไปผูกอเลีกันมันแห้งจิ้มหายต่อยพุกใครเลียงหลายๆกิ้มหายใครจิดเรียนการพนฒนบ่อยๆอันเดีย ว, ก, นนะว ก, กันแล้วความเดียวกัน ไปนะกลทัอันนี้ไป2องสาทิตยาทิตนึาทถ้าเรเป็นศูระสูงได้รานไ้าวหาบรที่สร้าลจ้มีิตัปตระโมกภักดีที่สิ่งต่างปที่บริเวณสนศัตรูทำ้โบราณทุกทางกับระปราน ถ้ามตรัมาเราพิจารณว่ชนสัพ้ทนเองเพราะวาตัวารณที่า่วง้งเ็นว่ประมทัุ นรกไฟจีวที่อายมมีอยู่ประวัติเดี๋ยวกเรามันทำเกินไปนีปแก่พวกตบังพวกทศรับครับเอาเสียวาเป็่นี่หรอกวัตถิถมาเพื่อาประสงค์วัตถิถึงเ่อารทำประง์นเป็ีอยนนี่หอกทำปะสงค์มาเพ่การทประสงค์เราเปลี่ยนเเป็นเนี่ยจะพาเอาเงินออกกวดกันเด้อคิหายตายได้โบราณมึงแสนแนวไได้ เอาบุเอาตามบุตามกรรมของใคยเขาไม่าตาพิพาอเกัดไปเอาเงินออกวดกรรมม่ได้เจหายบห่ีขังพระเจ้าของเฮาตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณคนมากเหล่านั้น เรียนงจบคาไจที่เด็กก็ตามถ้าความประพของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงไม่ให้มาลงคะแนนแพวกเราต้องกานต้องกานข้ามไปนายนายคำชื่อวนายคำชื่อวนายทองคำแต่ประพฤติไม่ดีมันก็เป็นนายทองคำไม่ได้ถูกไหม ชื่อคำเชื่อไมสําคัญชื่อวาระธรรมนูนแต่ในเรื่องมันไม่เป็นครับรัฐธรรมนูนมันก็ลวงโลกซะนั้นแหละถูกไหมชื่อพลาารลังหันแต่ว่ากิเลสมีอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่นี่ค่อนี่พากันสำคัญภาคกันพิจารณาบ้างเฮ้เมื่อได้เป็นเราไปบางตอนเขาคลับคลับตบเขาอยู่เฉยก็ไม่ถูกเนอะ <laughs> ยงเต่มือก็แต่ยงเ้มือแกต้ับเข้ากันไม่ต่อเลยแต่แอบตินนี่ผมว่าได้ว่าได้ท่านที้างสอนพระพุทธเจ้าห้องรถไฟไทยตลอดเลยโบเห็นประเทศรัสเทียบอกอาจารย์เั้นัอาจารย์สร้างสอนโลกมาเองเอาอาจารย์เป็นอาจารย์โลกมาเองประเทศรัสเทียคือบ่มีแบบมีบุญไปได้บ่นั่นนี่ขอสองขั้น เห็นอัไรมบบทั้นเปลาแต่เคยเจอันล่ะตัวหงแม่เพื่องไม่มีไม่มีทุนจิสู่กันกเข้าใจก่อนนั่นค่าขายเครื่องปะหารค่าขายมนวเน็ตค่าขายสัตเต็มเเนี่ยสัตที่ตัวข้าจะเป็นทหารค่าขายนํำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวลงไมให้ประกอบพวกค่าขายเครื่องประหารเขาจะเล่อนวันไหนเราเสี่ยงออกอากาค่าขายเครื่องปะหารกคำพีนศอ่อน บอลเนี่หมอกษีมาแลนัน่อีคุณทไม า, ามาีนมันกแม่่โอ้ <c oughs> เข้าไปเห็นแต่ <c oughs> เข้าราต่อยพ่อไปเห็นแต่ให้คะแนนเขาโหลดจตเขาเป็นมีซีเซียมาร์ตไสเข้ามาหูเหลีอ่เขาเข้าไปขาเขาขนี่อันเขาบ่ห้าเขาถือกในยายบ้านซมเก่าหรอ มันไม่ใจเขาเข้าได้ไกเอาเจ้เนี่ยดีของข้าวเนีเยข้ามาเข้าอะไคะแนนเขาเนีเยข้าบ่มากเข้าก่อนเาะใครคะแนนเรวเขาก็มิจิเดรตพราะเขาพราะเขามีิรดชจกเล่นเลขโยมันกบของแมนอ่าฟังแตทําโลกกบาคุ้มค้องโลกฟองย่างความกวที่จะออามากินแล้วลมไอต่ำบาปความกลัวต่าบาปทนจะคุ้มครองลงได้ถ้าไม่มียางายต่ำบาปไม่มีความกลัวต่าบาแล้วต้นมาตคนหมูก็พักก็ตัวก็ตั้งมาอยู่ บุพเพทำให้อำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งจริงเอง อ, อาใส่คนชัวน่วไหนที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำเลยสิครับนี่เสียงเลยนี่เสียงเลยเราทํางานทุงไหนก็ต้องรู้ไม่ได้แบบดใ น, นมัวเราถ้ามีคนมาทำบิดเราเราสาดแชง่งเขาไหมให้มึงคิดหายใจคว่ำเราไม่มีถ้าไม่มีก็เป็นเสถวดาวันถ้าเราขอทําผิดเราแต่ชาติก่อนก็ให้เลิกกันไปซะ ถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้อะกันไปซะเราจะไม่จองเวรแต่เราโกรธดูแต่เราไม่จองเวรนั่นน่ะภูมิคุ้ส่วนวันโกอดเบาแล้วโกรธอันนั้นไม่สามารถจะไปนรกไม่สามารถจะไปเป็นทัพย์ที่ระชาเนี่ยโกรธอันนั้นโลกอันนั้นก็ไม่สามารถจะไปเป็นทัพย์ที่ระชาเนี่ยสมมุติว่าภรรยาของคุณมีผู้สาวมาชอบคุณสู้ให้เลยไม่ให้แต่งเลยนะ คุณก็ไม่เอาเพราะคุณซักซื่อต่อภรรยาเดิมของคุณภ ร, รรยาก็เหมือนกันใครจะมาล่วงล่วงละเมิดจากภรรยาในสร้างมีของตนล่วงไปไม่ได้พระโสดาบันไม่ยอมยอมตายต่อความสัตย์ความจริงไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดแต่มีภ ร, รรยาของตนด้วยนั่นแหะครูพระโสดาบันถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดภ ร, รรยาในสามีของตนอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันนะ พระรคาถาัางนีงก็ยิ่งไปใหญ่แล้วพระอนาคามียิ่งแล้ว Honestly, mm. <red> <turkey> นะนี่แหละกครงวัดเมื่อเชื้อได้อยาล่วงละเมิดสบายยมุขเมื่อเชืยรได้อยาล่วงละเมดสิ้งห้าถ้าเชื้อได้อยาล่วงละเมดทิ้งห้าอยู่ก็ไม่ใช่พระศดดาบัถ้าเชื้อได้อยากจะถือศาสนาอื่นนัดที่อื่นอยู่ก็ไม่ใช่พระโชดดาวันนะเหตนฉะนั้นวิสีช้าของท่านจึงขาดไปสีรพตป a r า m a ทของท่านจึงขาดสังชน์อันนี้สังชน์กว่าสังชัดกว่างามราคของท่านเบา ตามราคาของท่านเบาไม่ถึงกับร่วงละเมิดพรายาควาตนไม่ถึงร่วงละเมิดกับสามีของตนไม่ถึงร่วงละเมิดกับคนอื่นที่เขาห้องแหงนั่นและไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นอะไรก็สัตว์เตัวฆ่าผู้เป็นอาหาไม่ค้าขายน้ำมันไม่ค้าขายยาพิษไม่เชื่อใจอย่างร่วงละเมิดเลยอืมเล็กผ้าเล็กไหลเล็กรวยอันนี้ก็ไม่เอา นี่รักษาพระตัวนี้อย่าให้มันไหลไปทางโลกทางกูทางหลงนี่พระองค์เดียวนี่นี่เขาว่านักหนักมันพระเล็กไหลภายนอกเราไม่เอาละของอยู่ยงคงพันภายนอกไม่มีวิชาะเน่วิชาของกอดก็ไม่มีในพระเสดดาวันวิชาทำนายทายทักเลขจะออกวันนี้หวยจะออกวันนั้นก็ไม่มีในพระเสดาวันมั่นค่าขาย ถ้าขายเครื่องประหารประหารถ้าขายสุราไม่มีเนอะไม่มีในพรสวดาบันเนอไม่เสียดายแต่้าขายให้ขวดและล้านบาทก็ไม่เอาเนอะนะนั่ น, น, นั่หลุณพระสวัดบมัใชง่ายนอะนรรทุกตัว้ามาเาั่ง 3, บวันุกตัสุขคลองเรือก็คือนัแต่พระสวดาบานไปนะั่จนถึงพระนาคารีชส่วนพระทห า, า, ารท่าในคองละพระนคออาคราชท่านคลองยึดจ้างขาวดีท่านคลองเนี่แปลว่าท่านนี้ตามมาลท่านคองอยู่คลองเรือส่วนพระหานท่านในคองละ นั่นเพไม่สมฐานะของท่านถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยแต่ท่านจะมาบวชครับการแขนพระแต่โซลูกปูมไม่ไม่ใช่ได้กับแขวนลูกปูถือเอาแขวนในหัวใจแล้วไงแต่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนไงเมื่อเวลาเอาไว้บนหัวลูกปูก็ไม่ได้พินหน้าพระมาทางนี้ลูกปูพินหลังพระใส่จาบข้างหลังเลยเพราะเวลาเราเก่าแข็งเก่าคา มันก็ต่อหน้าเพราะพระปัจเจมา่อนแขนพระก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ ว, ว่ามันจะเครื่องอบอุ่นแล้ว่าเวลาดื่มสุราอย่ายกควานข้าหัวเนี่ยแ <laughs> <laughs> ขนก็เป็นไรหรอกแขนพระเพราะเวลาวันท่านไม่ห่วงแขนท่านท่าไม่ห่วงจะแขนหรอกท่านไม่ห่วงจะทำรถนมนด้วยท่านไม่ห่วงจะเอาฝไฟผูกแขนด้วย ท่านไม่ห่วงว่าจะถือเลกดีงามดีด้วยท่านไม่ห่วงเลยท่าไม่ไปตู่วันตู่คืนถ้าว่าเลิกดียามดีถ้าว่าวันอุกกาบาตวันโงกาเวนานมันก็มีที่แสดงเหมือนกันถ้าวันไหนวันไม่ดีก็ให้เศรษฐีมาขอทานซีเขาก็เป็นเศรษฐีเจมพูเนี่ยถ้าอย่างนั้นวันไหนไหนดีก็พระหนังก็ต้องมาเป็นพุทธชนเสียก่อนวันดีจึงเลื่อนขึ้นไปชมกําเนียร์พระหลังนั่นยุคคำยุคคำศีล ถือว่าศีลพจในศาสนาศาสนานี่คือเรื่องรูคําสิศีพจน์เนรู้ไมมลังเลในประจิปัญญาของตนเองเรื่องรูปธรรมพุทโธนิพพานธรรมรนิพพานทังโธนิพพา น, รรนพระสารีบัณฑ์ถาขางหนึ่งก็พุทโธธรรมโธสังโธึิพพานั่นไม่ด้ขาดเพื่อแก้ตัวก็มีสติเยอ่ จะภาวนาหน่อยก็ตามภาวนามากก็ตามก็หวังคนทุกในว่าจะสงสารเท่านั้นพระวัสดิบาไม่ได้หวังอันอื่นนักทุกผีก็ถือแลื่อกศิยศาสตร์ก็ถือะอะไรก็ถือเล่ก็เล่นนั่นะมันหากไม่หาบแล้ว มันก็ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรถ้ากราบพิสทธาในก่อนนี้ถึงพุโทโธธรมโอสมันก็มันหมดมันก็หมดเรื่องนะถ้ากราบหลวงปู่มันกันกราบร่างกระดูกหลวงปู่มันก็ไม่บุญไม่ได้บุญนะกาบถึงพุโทโธธรมโอสังโฆมันยังได้บุญมากนะถูกไหมลังเลลูกคำนะ <c oughs> ลังเลลูกคำไม่ิดคิดาเนะ ศีรพัดปลารมาศยัง่ะศีรพัดตลมาดอ่ะตลามาศนะลูกคำลังเลลังเลลังเลไม่ตกลงได้เรียกว่าศีรพิศานะแ<ม>ล้วกูอ๋อลวกูไปพักอยู่ที่เขาเท่าอยู่ที่เขาเท่าจังหวัดทางงาที่เขาบวงสวงถีก็อยู่นี่นี่นนใต้หิ้ง นี่ใต้หน้าผา น, ะนี่นี่เป็นหน้าผายาวไปนี่ที่กระบอ้องที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่่ะเตียงที่เขามาดูชานะ้องปู่ยอมขีหัวมาใส่มันน้งปู่ขีหัวปรทานที่ไห ล, ล้งปู่เ็นฉันไปรบับก็อะไรมันนี่ทตั๊งงูใหญ่มาหาลงปู่ลุงปู่ก็ไลยเือว่ามันมันทงูใหญ่มาหาลุงปู่าานี่ปู่บรากาศ ลูก ป, ปูไม่ยอมพินหัวม า, ายไยต่ทางที่ขบวงสวดพิธี <c oughs> มันขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าใจเราเชื่อแน่อันไหนใจเราเชื่อแน่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยังไม่พอควรเรื่องสายในะพุทธธรรมพระสงฆ์ยังไม่พอมันก็เป็นเหตุให้สงสัยสินั่น ถ้าความเลี่ยมใสในพุทธธรรมประสงค์ทอแล้วมันมันก็ไ ม, ม่มันก็เป็นเหตุไม่ให้สงสัยแล้วมันยังสงสัยว่าล่ะที่อื่นดีเทียมพระบรมศาสลาอยู่ถ้าว่าในไตโลกก า, าัตรตั้งอดีตถ้าอนาคตทางปัจจุบันไม่อะไรมีเทียมถึงดอกที่เทียงหัวเขาเ่าขององค์พระพุทธธรรมประสงค์เข้ามาได้เทียมฝาเข่าก็ยังไม่ได้ถ้าเราไม่ถืออย่างนั้นะการกราบพระพุทธธรรมประสงค์มันก็มีดีการยอมเป็นยอมตายในพระพุทธธรรมประสงค์มันก็มีมีไม่ยอมตายในพระพุทธธรรมประสงค์เสียแน S <S เพราะเกงว่า <complexes> ผีจะมากินหัวพูดเหมือนกับพูดลูกหลานเนอพูดแบบพูดให้ลูกหลานฟังเนอะนี่เนออย่าไปโกรธให้รลวปู่เนอมเข้าใจนะถ้าหลงปู่ไม่พอใจอธิบายสิ่งนั้นสิ่งใดจริงน้น้นลวกปู่ไม่ไม่ยินดีด้วย พอแลอ้วไม่ใช่หลวงปู่ไม่รู้สิ่งไหนที่หลวงปู่ไม่พอใจอธิบายไม่ใช่หลวงปู่คาคาคาคำถามเนอะเรียกว่าหลวงปู่ปฏิปทาหลวงปู่มาใน ไ, ไปแถวนั้นอ่ะมาสอนแสดแงให้เห็นชัดแล้วถูกไหมพรหมพระบรมสารคาก็สอนว่าพรห ม, ม, ม, มอยู่พรหมของข้าพเจ้าคือพระสวัสดิ์ันสกทาคามีอานาคามีพระทหานหน้าของข้าพเจ้าคือพระสวสดาบวันสกทาคามีานาคามีพระทหารท่านพูดจากนั้น พรหมของข้าก็คือพระโสดาบันสกทาคามีพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศารีรดามของข้าก็คือพระโสดาบันสกทาคามีพระนาคาเมีพระอรหันต์ท่านว่าอย่างนั้นท่านก็เรียกพรามเหมือนกันเรียกพรหมเหมือนกันพรมของข้าคืออย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นพระบรมสารีรรามน้าของข้าก็คือพระโสดาบันสกทาคามีนาคามีพระอรหันต์น้าของท่านท่านานของเราท่านพูดอย่างนั้นพระบรมสารีรราเขาพูดพรท่านก็พูดเหมือนกันแต่พรของข้าคือพระโสดาบันสกทาคามีนาคาเมีพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนนั้ พระบมศาสดาพงของข้าก็เหมือนกันพงของข้าก็คือพระเจ้าดาบันสัตถาคามีนาคามีพระทหารรามของข้าก็เหมือนกันนาของข้าก็เหมือนกันวันทิดของข้าก็เหมือนกันคือพระเจ้าดาวันสัตถาคามีนาคามีพระทหานท่านพูดอย่างน้นท่านไม่พูดนี้หลักเลยพระบรมศาสดานะทีนี้เราจะพิจารณาอย่งไรเมื่อท่านยืนยันอย่างนั้นเลยนั่นเราพิจารณาก็เห็นสมอีกคือด้วยไม่ใช่เป็นเชนาเชีกาเชื่อนัศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแล้วมีปัญญาสมยุทด้วยนั่ พระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์ก็มีเดี๋ยวเดียยวเดี๋ยก็ก็ไม่เหมาะเท่าไเนี๋ยวต้องรูปผีก็ต้องมีอีกสิก็ไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องเถอะสุสุที่นี่บางคนบางคนเขาก็ทําติดตัวพระพุทธเจ้ามาด้วยเขาทาเป็นมารมาก็มีทําหน้าเพี้ขึงของอย่างนี้มาก็มี เขาทำรักษาพระพุทธรูปอันนั้นมันแกะไม่ออกถ้ามันแกะออกหลวงปู่ก็จะไปแกะมันแกะไม่ออกมีอยู่ข้างบนแต่ว่ามันเขาทําเป็นรักษาพระพุทธรูปเขาน้องเป็นรักษาพระพุทธรูปเขาทําเทวดาเทวาบุตรเป็นเป็นที่รักษาพระพุทธรูปอันนั้นช่างเขาเถอะอันั้นเอาไว้ถ้าถ้าเอาไว้จำกวอกันก็่ป็นปัญหาเดี๋ยวเอาไปไว้เพียงเสมอกันเออไม่ ไม่พระวิชิกิจฉาพลังเรย์ยังยังยังพลังเรยวิชิกิจฉาอยู่ถูกถูกถ้าถือว่าคุณวินามาปุยญาตาท้วดเป็นเมืองขึ้นของคําสอนพุทธศาสนาใช่ไคุณวินามาปูยญาตาท้วดก็เป็นพระนั่อ um> ันหนึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาเราคิดอย่างนั้น เราอย่าไปถือเป็นเอกเทศแต่เฉพาะส่วนตัวช่วงเวลามณฑาของเราก็เป็นเมืองขึ้นของเินุทศ า, าสตานะเราถืออย่างนั้น